การกินอาหารนี่มันไม่ใช่แค่เป็นกิจวัตรประจาวันของที่นี่เท่านั้นนะมันเป็นกิจวัตรประจาวันของทุกชีวิตเลยนะคน เ, เราก็ต้องกินอาหารแล้วก็กินมาตั้งแต่เล็กนะจนโตแล้วเมื่อแก่ก็ยังต้องกินต่อไปจนกว่าจะตายการกินอาหารเนี่ยนะอย่างที่วานะเรากินมาตั้งแต่เล็กแล้วดูมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงไม่ธรรมดาเลยนะ เพราะว่าแค่การที่เราจะกินอาหารและให้อาหารเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้เนี่ยมันต้องผ่านหลายขั้นตอนตั้งแต่เคี้ยวแล้วก็กลืนแค่สองอย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะต้องอาศัยความสามารถพิเศษของร่างกายเลยทีเดียวถึงแม้ว่าดูมันเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า ร่างกายเราต้องใช้ความสามารถพิเศษมากเอาแค่กลืนอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเคี้ยวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลืนได้ทันทีนะมันต้องอาศัยกล้ามเนื้อนะในร่างกายของเราหรือเพราะตรงหลอดอาหารนี่แหละในการลำเลียงอาหารที่เราเคี้ยวเนี่ยนะเข้าสู่กระเพาะอาหาร มันไม่ใช่ว่าเคี้ยวเสร็จแล้วมันจะตกลงไปในกระเพาะอาหารนะมันต้องอาศัยการลำเลียงด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อซึ่งก็มีหลายสิบมัดเลยทีเดียวนะก็ะจำไม่ผิดนี่ห้าสิบมัดทีเดียวนะที่จะช่วยให้อาหารที่เราเคี้ยวแล้วเนี่ยมันลาเลียงสู่กระเพาะอาหารไม่ใช่ว่ามันจะสายแรงโน้มถ่วงของโลกงนะดึงอาหารเนี่ยตกสู่กระเพาะอาหาร เป็นพราะามีกล้ามเนื้อเนี่ยในการช่วยลําเลียงอาหารเนี่ยถึงแม้เราจะห้อยหัวกินอาหารเนี่ยอาหารมันยังสู่กับมันก็ยังไปสู่กระเพาะเราได้นะคือสามารถที่จะต้านทานแรงน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะไปจนสูบไปจนถึงกระเพาะอาหารได้เพราะเรามีกล้ามเนื้อที่มันทํางานกันอย่างสอดคล้องประสานกันนะหลายสิบมัด น, นี่ไม่ใช่ว่ามันจะทํางานได้ราบรื่นนะ มันต้องอาศัยความสามารถพิเศษของสมองของร่างกายของเราและเคี้ยวแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันจะไปถึงกระเพาะอาหารเราแม้จะมีกล้ามเนื้อทํางานได้ดีนะเพราะว่าหลอดอาหารเนี่ยกับหลอดลมเนี่ยนะในคอของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากเลยทํำยังไงเนี่ยกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปทางหลอดอาหารมันไม่ พลัดก็ไปสู่หลอดลมเพราะท้ า, าหานี่มันแม้เึียงเล็กน้อยเนี่ยมันหลงก็ไปทางหลอดลมนะก็จะมีปัญหานะคืออาจจะทำให้เราหายใจไม่ออกถ้าเศษอาหารนี่มันมันใหญ่ติดลำคอรหรือแม้จะเป็นเศษเล็กเ็จน้อยแต่ถ้ามาไปถึงขั้วปอนนี่ติดเชื่อได้นะเราร่างกายเราเนี่ยมันจะมีระบบนยะเปิดปิดนะ หลอดอาหารแล้วหลอดลมอย่างช่เวลากินอาหารเนี่ยมันจะมีลิ้นนะลิ้นหรือวาวเนี่ยปิดหลอดลมเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยมันไปทางหลอดลมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถพิเศษ ข, ของร่างกายเรานะมันทํางานตโนม n ติโดยที่เราไม่ต้องสั่งพอเราเคี่ยวอาหารเข้าไปนี่นะหลอดลมเปิดาหลอดลมปิด หลอดอาหารเปิดแต่ถ้าเวลาเราพูดคุยกันนะหลอดลมมันจะเปิดนะซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายนะเพราะว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราเคี่ยวอาหารแล้วเราพูดคุยไปด้วยเนี่ยระบบเปิดปิดหลอดลมนี่มันสับสนนะปกติถ้าเราไม่คุยนะหลอดลมเนี่ยมันจะถูกปิดแต่พอเราคุยไปด้วยขณะที่กินอาหารไปด้วยเนี่ยหลอดลมมันเปิดนะ เพราะเวลาเราพูดคุยเราต้องใช้อากาศเพื่อทำให้เกิดเสียงนัน่นหมายความว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยแล้วเราเคี้ยวเนี่ยเราพูดคุยไปด้วยเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่อาหารเนี่ยมันจะพลัดเข้าไปสู่หลอดลมเพราะว่าหลอดลมเนี่ยมันปิดไม่สนิทหรือมันเปิดกว้างด้วยแล้วถ้าอาหารมันพัเข้ า, ขาไปในหลอดลมนะถ้าเป็นเศษอาหารใหญ่เนี่ยติดคอ หายใจไม่ออกสามารถจะตายได้าภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือบางทีไม่ตายนะแต่ว่าเอาออกช้าเกินสีนาทีก็อาจจะเป็นเจ้าชายนิทราเพราะสมองขาดออกซิเจนเพราะนั้นก็มีคนที่เกิดอุบัติเหตุทานองนี้ไม่น้อยนะกินอาหารไปด้วยคุยไปด้วยนะ โดยเพราะถ้าเป็นการกินเลี้ยงเนี่ยก็มีการสนทนาเฮฮาหัวเราะนะ mm hmm. เคี่ยวไปด้วยอาหารก็อร่อยนะงานเลี้ยงเนี่ยอาหารอร่อยเคี่ยวไปกินไปคุยไปหัวเราะไปตรงนี้แหละคืออันตรายนะทั้งที่ร่างกายเรามีระบบป้องกันความเสี่ยงไว้ดีแล้วแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังอาหารนี่พอเรา เคียวแล้วคุยไปด้วยนี่นะมันเข้าไปสู่ปลอดลมนะถ้าไม่ตายเพราะขาดอากาศหายใจก็เป็นเจ้าชายนิทราหรืออาจจะเป็นโรคปอดติดเชื้อหรือปอดบวมและเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเคี่ยวอาหารแล้วคุยไปด้วยนี่จะเป็นอันตรายอย่างเดียวนะ โดยเฉพาะคนที่มีอายุเนี่ยนะแม้ขณะที่ดื่มน้าเนี่ยนะขณะที่เคี้ยวอาหารนี่ก็เสี่ยงนะไม่ได้พูดคุยนะแค่ดื่มน้ขนาขณะที่เคี้ยวอาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยพอเราเคี้ยวนะมันอาจจะมีหลอดลมเนี่ยที่มันปิดได้ไม่สนิทเพราะว่าพอแก่ชราแล้ว กล้ามเนื้อมันเริ่มหย่อนเริ่มยานหลอดลมอาจจะเปิดนิดหน่อยแล้วพอเรากินน้ำเข้าไปเนี่ยโดยเพราะน้ำเปล่าเปล่าเนี่ยนะมันสามารถจะหลงลอเข้าไปในหลอดลมพอหลงเข้าไปในหลอดลมไงเป็นไงล้วก็สาลักพอสาลักนี่ก็อาจจะทำให้น้ำที่มันเข้าไปสู่ปอดเนี่ย นะมันทำให้เป็นโรคติดเชื้อได้ปอดติดเชื้อหมอเข้าวาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนแก่เนี่ยยุบเจ็ดตายเพราะปอดติดเชื้อเนี่ยเยอะมากและทิติดเชื้อเพราะว่าสำลักน้ำขณะ ก, กินอาหารวัระนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าเวลากินอาหารเวลาเคี้ยวเนี่ยอย่าเพิ่งกินน้ำนะ หรือแท้ ก, กินน้ำเนี่ยอย่าไปกินอย่ากินน้ำเปล่าเปล่าให้ถ้าเป็นน้ําซุปนี่ยังพอไหวเพราะา น, น้ําซุปเนี่ยมันมันจะไหลช้ามันจะไม่ไหลเร็วแต่ถ้าไม่กินน้ําซุปเลยก็ดีนะเพราะว่าคนที่สําคนแก่ที่สําลักน้ํานมแล้วก็ซุปเนี่ยจนเป็นโรคติดเชื้อปอดติดเชื้อนี่แล้วตายนี่มีเยอะนะปลอดติดเชื้อนี่มันทรมานมากรักษาได้ยาก เขาก็เลยแนะนำว่าคนที่มีอายุแล้วเนี่ยเวลาเคี่ยวหานี่อย่า ก, กินน้ำนะและไม่ใช่แค่นั้นนะก็แนะนำอย่า ก, กินน้ำขณะพูดคุยกันคุยกันทั้งที่ไม่ได้มีข้าวอยู่ในคอเลยนะไม่มีข้าวอยู่ในปากเลยแต่แค่พูดคุยกันแล้วกินน้ำอาจจะเป็นน้ำนมน้ำซุปก็ได้หรือน้ำหวานเนี่ย ไอ้น้ําที่กินเนี่ยมันอาจจะเล็ดลอยเข้าไปในหลอดลมแล้วเกิดการสําลักก็ติดเชื้อได้ปัญหานี้อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับอ่คนหนุ่มคนสาวนะแต่พออายุมากแล้วเนี่ยมันมีสิทธิเกิดขึ้นได้มันคนจะบอกว่าโอ้ยฉันทำยี่มานานแล้วตั้งแต่เล็กตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่สาวนะกินน้ําไปด้วยนะคุยไปด้วย หรือว่ากินข้าวไปด้วยกินน้ำตามน้ำซุปหรือน้ำเปล่าแต่ก่อนทำได้นะแต่ว่าพอแก่ตัวแล้วมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าร่างกายมันไม่เหมือนเดิมหลายอย่างที่เราทำบ่อยๆเนี่ยเรามีประสบการณ์มากขึ้นก็ทำให้เราทำได้ดีขึ้นเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราเดินไม่ค่อยได้เพราะเรายัางเด็ก หรือว่าเรายังหนุ่มแต่เราไม่ค่อยวิ่งเราก็เลยวิ่งได้ไม่ไกลแต่พอเราวิ่งบ่อยๆวิ่บ่อยๆเราก็วิ่งได้ไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นแต่ก่อนวิ่งกิโลเดียวก็ไม่หวายแล้วเดี๋ยวนี้พอฝึกบ่อยๆประสบการณ์มาก20กิโลก็วิ่งได้40กิโลก็วิ่งได้แต่ประสบการณ์ที่มากเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่าจะทําได้ดีเสมอไปนะบางทีมันทําได้แย่ลงอย่างพอเราวิ่งบ่อยๆวิ่งมากๆเนี่ยพอแก่ตัวเนี่ย ว่าแต่วิ่งเลยเดินยังไม่ค่อยได้แล้วแต่ก่อนวิ่งได้ยี่สิบกิโลแต่เดี๋ยวนี้แค่เดินนะสิบเมตรยี่สิบเมตรก็ไม่ไหวแล้วเพราะอะไรเพราะร่างกายไม่เหมือนเดิมไอ้เรื่องการกลืนอาหารก็เหมือนกันกลืนน้ำนี่แต่ก่อนกลืนอาหารนะพูดคุยไปด้กลืนไปด้วยทำได้แต่พอแก่ตัวแล้วทาได้ยากแล้วแม้แต่กินน้ำเปล่ปาๆนี่ ถ้าไม่ระวังเนี่ยสำลักน้ำได้นะคนแก่เนี่ยแต่ที่สาคัญคือเวลากินข้าวเนี่ยนะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันพระนี่เรามีข้อวัดนะเรียกเสกเชียววัดข้อหนึ่งเมื่อคำข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดอข้อนี้เนี่ยสำคัญนะในแง่นึงก็ทำให้มีสติาการกินอาหารแล้วก็ทำให้เกิดความสำรวม นะไม่อยากินไปพูดคุยไนอันนี้ก็ไม่สํารวมแต่มันนี้มีผลต่อสุขภาพด้วยนะเพราะว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้สำลักอาหารหรืออาหารติดคอได้นะโดยเฉพาะผ้าที่มีอายุเนี่ยแต่ผ้าหนุ่มก็ประมาทไม่ได้นะเพราะคนหนุ่มนะที่ตายเพราะว่าข้าวติดคออาหารติดคอหรือว่าเป็นเจ้าชายนิดชายมีเยอะนะ แล้วยังไม่รู้วิธีที่จะเอามันออกมาบางคนไม่รู้วิธีจะเอามือล้วงนะไม่ได้มันมีวิธีแต่ว่าถ้าให้ดีสุดคืออยาให้มันติดคอเลยและวิธีป้องกันแม่มันติดคอคือว่าเวลากินข้าวเวลาเคี้ยวนี่ไม่พูดไม่คุยนะแลไทายดีเนี่ยนะพออายุเริ่มมากขึ้นแล้วนี่แม้แต่กินน้ำขณะที่เคี้ยวนี่ก็ต้องระวัง เช่นเดียวกันนะกินน้าขณะที่พูดคุยกันก็ยิ่งต้องระวังนะเพราะว่าสามารถทาให้ตายได้นะอาจจะไม่ตายทันทีเพราะอาหารติดคอแต่ตายช้าๆเพราะว่าปอดติดเชื้อไม่เป็นเงนเยอะนะเดี๋ยวนี้คนแก่ซึ่งที่จะต้องระวังสองอย่างนะเนี่ยเาบอกหนึ่งระวังล้มสองระวังสาลักน้ำนะเพราะฉะนั้นเวลากินน้ำนี่ต้องกินอย่างมีสติ อย่า ก, กินขณะพูดคุยกันอย่า ก, กินขณะเคี้ยวซึ่งทำได้ยากนะเพราะเรากินน้าขณะเคี้ยวนี่เราทำมาตั้งแต่เล็กจนโตทำมาห้าสิบหกสิบปีแล้วพออายุเจสินี่จะไม่ทำมันไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นความเคยชินไปซะแล้วจึงต้องมีสตินะเราก็เป็นเกจเล่น้อยๆนยนะที่ควรจะรับรู้เอาไว้ให้เรารู้ว่าการกินอาหารนี่ไม่ใช่กินเพื่อความสนิกความ็ดอร่อยอย่างเดียว นะต้องกินอย่างมีสติด้วย